กล่าวคือเมื่อดําเนินมาถึงฌานสี่แล้วน้อมจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วไปเพื่ออาสวัคยญาณทีเดียวไม่กล่าวถึงปุเพนิวาส า, านุสติญาณและจุตูปปาตาญาณเลยเช่นในโยธาชีวสูตรที่หนึ่งและโยธาชีวสูตรที่สองอังคุตรนิกายปัญจกานิบาศเป็นต้นแสดงว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจทําได้ข้อข อ, ขอในสูสิมสูตร สังยุตตนิกายนิทานวักมีพุทธพจน์แสดงไว้ชัดเจนว่าพระอระหันต์ปัญญาวิมุตตแม้เป็นผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วไม่ยึดติดในขันห้าและเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆไม่มีทิพยโสตไม่มีเจโตปริยญาณยาไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณไม่มีทิพยจักรสุคือจตาาูปปาปาตญาณและไม่ได้สันตวิโมคคืออารูปสมาบัต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 อย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นได้ในเมื่ออายตนะคือเหตุมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำงอิทธิวิทาก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงทิพยโสตรก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงเจโตปริย า, ยานก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงปุกเพนิวาสานุสติก็ย่อมถึงถ้าเธอจนงทิพยจักสุก็ย่อมถึงถ้าเธอจนงอาสวัไค